Nomotatsa, penguatu arahatu sama-sam putatsa. Nomotatsa, penguatu arahatu sama-sam putatsa. Nomotatsa, penguatu arahatu sama-sam putatsa. Putatsa lo kathammehi cittang yatsa nakampati. เอตัมมังกโลมุตตมังสจิตตปริโยทะธัมมันติบัดนี้อาตมภาพได้ได้ บุญญาราศีสัมมาปฏิบัติแด่ญาติโยมพุทธบริษัที่ ให้กำเนิดของวัดอโศการามแล้วก็ให้กำเนิด ที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่เป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วนอกจากจะเป็นงานประจําปีโดยปกติแล้วเป็นการฉลองสมโภชพระธุตังคเจดีย์และรูปเหมือนรูปบูชาครูบาจารย์ต่างๆที่เป็นบูรพาจารย์ของเราหลายองค์จึงนํามา แล้วก็มีการปฏิบัติประพฤติธรรมเป็นกรณี พระองค์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ซาบซึ้งในคุณธรรมจริยธรรม อาตมาภาพจึงจะขอนำกระแสธรรมมาอ่าบางข้อบางโอกาส คือความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตและการครองจิต อันโลกธรรมอ่าถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวและเป็นจิตเกษม อาการภาพมีความรู้สึกว่าวันนี้สาธุชนๆเพียงแต่ ตั้งโสตประสาทเพื่อฟังกระแสธรรมท่านลองคิดดูซิก่อนที่พระจะแสดงธรรมหรือก่อนที่ ทุก 좋을 plusieurs ตиру โ quart ทุกสถาม รียiş เทว์ที่อ clinicians arr pig a r a t h r v t พระ 36ป5 2022 AUT อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่แบบอยู่อยู่อยู่อยู่อย Lightning ต Present Maths can be your прин agenda server บ centimeters ว่าอักสวัสแทวดา ความความยิ่งนั้นยิ่งนักหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจะอยู่ในฐานะใดสูงต่ำอย่างไรเพียงแต่เอียงสู่ตรัสศาสตร์เพื่อฟังพระบิณฑฟังกระแสธรรมก็เป็นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นญาติโยมในวันนี้ท่านอยู่ในที่ต่างๆก็ขอในภาระ พร้อมที่จะฟังได้ยินเสียงวังกระแสธรรมท่านใด ภาวะจิตของเราหรือภาวะชีวิตมนุษย์ข้อพระอภิธรรมก็เรียกว่าได้คือทุกข์อย่าง เป็นไปในกุศลผลบุญอย่างหนึ่งเป็นไปในบาปอกุศลอย่างหนึ่งและเป็นอัพยากตะคือไม่บุญไม่บาป ก็จะมีอยู่คําว่ากุศลธรรมะธรรมทั้งฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแปรตามๆไม่ไป ไม่ไปภาวะจิตใจของเรากายของเรานี้และใจของเราโยมพึงสังเกตฐานะ 3 กายก็ ตั้งอยู่บนบุญบนกุศลบ้างโอกาสตั้งบนบาปบนอกุศลบ้างเวลาวาจาก็เหมือนกันเป็นวาจา ใจใจของเราก็เหมือนกันบางขณะตกไปสู่บุญเอ่อยกระดับขึ้นสู่บุญกุศล ท่านรู้เจรจรทั้งหลายกายก็ตามวาจาก็ตามใจก็ตามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเขา เป็นไปด้วยเจตนาถ้าเจตนาแรงไปทางใหญ่สูงถ้าตกไปทางบาปอกุศลถ้า เรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าสมาธิการปฏิบัติจึงบุคคลเหล่านั้นต่างคนต่างเป็นไปตามบุญ กรุณาดูเครื่องดีด้วยครับท่านปุจจาระอย่าให้หรณ์ๆเท่าไหร่ยิ่งดีเอ่อยิ่งแต่ละ ว่าใจในที่พระพุทธองค์ไหนก็ตาม <c oughs> และไม่จบแค่สามอย่างจัดรักษาได้ไม่หมดระวังได้ไม่ดีเรื่อง 3 อย่างเผลอเผลอ ประโยชน์นั้นก็คือการมาดูสามอย่างภาวนาสมาธิประตามวิปัสสนาแล้วจะเรียกก็ รวมความแล้วจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ที่ท่านให้เราดูแลรักษาเรายังรักษาไม่อยู่ซึ่งท่านมีบวชบัญญัติอยู่แล้วศีล 5 ศีล 8 สําหรับ และรักษาวาจาส่วนภาวนาสําหรับรักษาจิตแค่นี้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องมาก ฝึกที่กายฝึกที่วาจาฝึกที่ใจนี่ เรามีที่ฝึกหัดเท่ากันมีข้อปฏิบัติข้อเดียวกันที่ฝึกหัดเท่ากันมีข้อปฏิบัติข้อเดียวกันฉะนั้น แต่ของเราคือพระพุทธองค์ซึ่งทรงสอน เราเองก็ยังรับรองว่ารักษาได้ดี หรือเครื่องตั้งแต่เช้าขึ้นมาแล้วจิตของท่านอย่างนี้ก็ได้ตั้งแต่เช้า นั้นท่านตื่นมาแล้วท่านอยู่กับกุศลาธรรมะคือ หน้านิ้วคิ้วขมวดหรือเช้าขึ้นมาวัดนั่นท่านกําลังเหี่ยวธรรมดา แล้วก็ไม่ตกไปไหนทาง ท่านมีที่อยู่มีที่อยู่แล้วหรือเมื่อถามอย่างท่านอาจจะนึกขัดใจ ที่อยู่ของกายท่านมากมายแต่ที่อยู่ใน ไปตลอดวันแน่แล้วท่านอยู่กับบุญเป็นนาย ความดูแลของกายดูแลความเปล่งออกมาของคําพูดดู เมตตาจิตเมตตาจิตอย่างเดียวมโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็น เอาเมื่อใจเป็นใหญ่สติคืออะไรคุมใจเมื่อใจและจิตก็เป็นใหญ่ใหญ่ ขณะมีสติขณะนั้นจิตของท่านของท่านมีสติขณะนั้นจิตของท่านมีความโลภขณะ ไอ้ตัวเผลอนั่นจิตนั่นแหละแต่เขาเรียกอ๋อตอนนั้นเราไม่เผลอหรอกไอ้ มีหรือไม่มีก็อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสังเกตดู สติสัมปชัญญะโลภโกรธหลงเจเลตัณหาต่างๆมันไม่มีมันมีแต่ จิตของเราไปเป็นผู้ไม่โลภจิตของเราไปเป็นผู้ไม่โกรธจิตของเราไปเป็นผู้ จิตมีอาการจิตมีลักษณะโลกรักสติจิตมีอาการสมบูรณ์ด้วยสติจิตมีอาการ ให้พิจารณาจิตให้ดูจิตแล้วเอาอะไรมาดูให้ดูจิตแล้วเอาอะไรมาดูสันนิษฐานว่า กายต้องอ่อนน้อมวาจาต้องอ่อนหวานจะให้เกิดสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ ที่ว่าให้กายอ่อนน้อมให้วาจาอ่อนหวานก็เป็นการฝึกกิริยาจิตที่ออกมาข้าง จึงต้องดูที่จิตต้องๆออกให้หมดซะการเปลี่ยนแปลงของจิตคําพูดออกคําว่าสติ มันมากมายถึงขนาดนั้นที่แท้ก็คือจิตมันเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นมันเกิดอย่างนั้นเพราะจิตนั้นจิตขาดจิตขาดจิตเป็น เมื่อเราเข้าใจได้ดังนี้เราเข้าใจท่านก็เป็นภาวนาทั้งหมดดังนี้วิธีปฏิบัติๆบริหาร แล้วท่านอาจจะนึกว่ามีเวลาที่ อกุศลธรรมอย่างตกต่ําก็ให้เป็นอปิยากตากลางๆแล้วเราดูจิตของเราให้อยู่ใน ก็เป็นก็ชื่อว่าภาวนาอาตมาแม้ท่านก็รู้ว่าแค่อยากจะด่าก็ชื่อว่าภาวนาเหมือน ขอยกระดับจิตนั้นให้มาอยู่กับกุศลเผลอไปบ้างเผลอ เอ่อสติก็คือเอามาใช้ได้จิตขาดสติจิตไม่มีสติจิตลืมสิจิตมีรักษาตั้งจิตไว้ สรูปธรรมเทสุลาหลวงปู่ทั้ง 4 รูปหลวงปู่ดูนจบลงที่จิตหนึ่งหลวง ท่านพูยเฉิร aos ทั้งลายลองคิดดูจิตหนึ่งจิตเดียวจิตกลางจิตว่างมีลากษณะต่างการอย่างไรหรืออันหนึ่งอันเดียว กัśnie สุดย หรY วดก็อันหนึ่งอันเดียวกันจิตหนึ่งคือจิตที่ผ้นจากการปรุงแต่ง พ้นจากอารมณ์ต่างๆพ้นจากการเอียงเอียงไปตามอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งไม่ๆเป็นจิตติพ้น จิตนั้นจะไม่เอียงไปตามอารมณ์ไม่มีไม่เกิดรักไม่เกิดชังไม่รักไม่ชังมีสิ่งที่ดีที่งามไม่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่ไป ด้วยอารมณ์จิตว่างและอารมณ์ร้ายเป็นจิตกลางจิตว่างก็คือๆไม่ๆนานาจับใจความ อยู่อย่างนี้ตั้งมั่นอย่างนี้แม้จะอยู่กับโลกอยู่กับหมู่คณะอยู่กับสถานการณ์ จะมาในมงคลข้อสุดท้ายแปลงกระแสจิตที่เรียกจิตจะมีความส่งตัวอยู่อย่างนั้น เห็นได้แต่ไม่ไปตามสิ่งที่เห็นแต่ไม่ไปตามสิ่งที่ อย่าหรือจิตที่ส่งออกนอกมันเป็นทุกข์จิตออกนอกสิหรือจิตที่ส่ง พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจะต้องบริหารพุทธองค์ ไม่ใช่หรือหรือแต่ว่าก็ยอมรับใช่แต่ๆมัน ยกตัวอย่างให้โยมฟังนิดหน่อยเนาะสมมุติ ออกตามหูที่เห็นยินเสียงออกไปตามตาที่เห็นรูปท่านกรุณาอธิบายให้ฟังว่าฐานเดิมของจิตมั่นคงแล้วถ้าตาเห็น รูปนี้งามรูปนี้สวยงามรูปสวยนี้รู้ว่าสวยโลกรู้ได้ว่ารูปรูปนี้สวยรูปสวยก็ก็รู้ แล้วก็ชอบรักเริ่มได้อย่างเริ่มเสียฐานของจิตเห็นเห็นได้เขาว่าสวยก็สวยแล น่าเกลียดน่ากลัวก็รู้ได้เห็นได้แต่ว่าเมื่อเห็นว่า และเอียนเอียงไปตามอารมณ์เหล่านั้นเหมือนหลวงปู่แต่ละ เสียงนี้ไพรเาะเหลือเกินก็ยอมรับตามที่โลก ก็เริ่มเสียฐานแล้วเริ่มเห็นได้ยินฐานแล้วจึงตรงกับคําที่เรา ถูกดาเนนทายกย่องสนับสนุนเสื่อมลาภเสื่อมยศมีเหมือนกัน แต่ท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่อ่อนแอไม่ระทมตรอมตรมกับสิ่งเหล่านั้นเพราะท่าน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ เราผู้ที่เจ้าทราบว่าดูก่อนเทวบุตรเรา ดูก่อนเทวบุตรเป็นเช่นนั้นความยินดีไม่มีแก่เราความเศร้าโศกไม่เกิดขึ้นแก่เราและความ เทยว่าบุตรฟังแล้วอัศจรรย์ใจและเลื่อมใสอย่างยิ่งจากพุทธพจน์นี้ท่านผู้เจริญ ยุทธบรรดาศักโลกธรรมอะไรก็ตามเพลิด ความทุกข์จึงครอบงำพระองค์ไม่ได้นินทาก็ครอบงําให้เสียใจไม่ได้คํายกย่องสรรเสริญก็มาอดหนุน ท่านว่าไม่มีคําหยาบคําละเอียดอะไรหรอกมีแต่คําสําหรับปราบกิเลสนานา อัตตาภาพคนหนึ่งที่ตริตรองกระแสธรรมของท่านเพราะฉะนั้นท่านผู้เจริญ กายก็รู้จักอ่อนน้อมวาจารู้จักอ่อนหวานและใจ นั่นคือผลแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอความสุขสุข เหมือนพระอริยะเพียงแต่ท่านพยายามทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ มีความพยายามไม่มากแต่ก็ยังดีเราได้แนวทางที่ดี ไหลแล้วได้ฌานแต่ถอยไปจน ท่านผู้ใดอ่อนแอก็จะถึงช้าแต่ดีที่สุดก็ ครูบาอาจารย์เอิ้นๆชวนประพฤติปฏิบัติมาบุญกุศลอันนั้นพึงเป็นเอ่อสิ่งสักการะเป็นเครื่องสักการะแด่ครูบา ไอ้สมบัติอายุวรรณสุขะ